ได้บุญแล้วก็แบ่งบุญให้กับผู้มีพระคุณนะทุกครั้งที่รู้สึกว่ามีบุญนะโดยเฉพาะบุญในเรื่องของการเจริญภาวนาทาสมถกรรมฐานหรือปัสนากรรมฐานแต่จริงก็ไม่ประมาทในบุญอื่นๆทั้งการให้ทานรักษาศีลได้บุญมาแล้วปฏิบัติทําแล้วน้อมเอาบุญนั้นบูชาพระรัตนตรยัย เรารู้จักการทำบุญเพราะว่าพระกรุณาของพระพุทธองค์ได้ฟังธรรมอันแท้แท้ของพระองค์ที่ได้ฟังมาเพราะมีการสืบต่อโดยพระสงฆ์น้อมเอาบุญนั้นถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระรัตนตรยัยบูชาถวายให้กับคุณครูบาอาจารย์อุทิศให้กับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นธรรมราชาผู้เป็นร่มโพร่มใสให้กับแผ่นดินนี้รักษาความเป็นปกติสุขจนมีพระพุทธศาสนาสืบทอดจนถึงเราในขณะนี้น้อมอุทิศให้กับผู้มีพระคุณของเราคุณพ่อคุณแม่ผู้ให้กําเนิดชีวิตนี้ผู้เป็นผู้ให้กําเนิด ชีวิตที่ดีที่สุดในสังสารวัตนี้น้อมบูชาถวายเป็นเครื่องบูชาแด่ผู้มีพระคุณคือพ่อแม่ในชาตินี้แล้วก็ให้กับพ่อแม่ทุกๆชาติให้กับญาติทุกๆชาติผู้มีพระคุณทั้งหลายให้กับหมู่เทวดาที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้ให้กับเทวดาที่ปกป ร, รักษาคำจุนผู้ประพฤติธรรมทั้งหลาย แล้วก็น้อมแผ่เมตตาพร้อมทั้งอุทิศสุขุศนที่เราได้บําเพ็ญแล้วจนถึงขณะในขณะ น, นี้เวลานี้ให้กับสับพพสัตทั้งหลายสัตว์าดาวใดที่มีทุกข์อยู่ทราบว่าพวกเราในที่นี้อุทิศส่วนกุสลให้ขอให้ท่านเหล่านั้นจงมาอนุโมทนาในบุญกุศลที่เราได้ทําแล้วนี้จงมีความสุขใจมีความปีติปลื้มใจ เหมือนได้ทําเองความสุขใจปิติใจปลื้มใจนั้นจงมีอานิสงส์ทําให้ท่านทั้งหลายพ้นจากอบายภูมิสู่สุขติส่วนท่านที่มีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่ง่งขึ้นไปเราทั้งหลายในที่นี้ก็จะตั้งใจที่จะศึกษาถ้อยคําของพระพุทธองค์นําความรู้ที่ได้จากการศึกษามาปฏิบัติให้เห็นผลถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะตั้งใจ